าาถามเป็นคนโกรธแรงและย้ำคิดได้เป็นวันโดยเฉพาะตอนถูกเอาเปรียบแม้กระทั่งโดนแย่งที่จอดรถก็โกรธหัวปัดหูเหวี่ยงจะเอาเรื่องเอาเราวกับเขาพอเสร็จแล้วค่อยคิดได้ว่าไม่น่าเปลืองแรงขนาดนั้นถ้าหาที่ใหม่ก็ใช้กำลังน้อยกว่ามากผมเป็นคนคิดได้แต่มักจะไม่ทันการคือคิดได้หลังจากผ่านไปแล้วเป็นวัน อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรดีครับตอบถ้าอย่างนั้นคงพึ่งความคิดไม่ได้ครับคราวหน้าพอโกรธปุ๊บให้รีบหาใครสักคนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นถ้าเห็นคนกำลังเข็นรถที่กำลังขวางทางออกของเขาก็ปรีเข้าใส่ทันทีเมื่อช่วยเขาเข็นเห็นเขายิ้มยินดีขอบคุณสัมผัสรับรู้ความสุขความยินดีเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่มีโอกาสได้รับผลตอบแทน คุณจะเกิดความสุขอย่างแท้จริงขึ้นมาขณะหนึ่งที่ตรงนั้นให้คิดว่านั่นเป็นการให้คนอื่นได้เปรียบคุณเหมือนกันแต่ถ้าคุณกลับเป็นสุขได้นั่นก็เพราะความเต็มใจจะให้ความแตกต่างอยู่ตรงนี้ละครับคนเราเคยชินที่จะเอาไม่เคยชินที่จะให้ไม่ชอบทำทานหรือทำทานไม่ครบวงจรถ้าใจเป็นทานอย่างที่ท่านเรียกว่าทา น, นาจิต เกิดขึ้นเป็นปกติแล้วแล้วก็จะพบว่าปัญหาทางใจหลายๆอย่างคลี่คลายไปในทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นเลยทีเดียวอีกประการหนึง่งคุณจะพบด้วยความทึ่งว่ายิ่งคุณอภัยมากเท่าใดเส้นทางโครจรของคุณก็จะยิ่งออกห่างนักเอาเปรียบมากขึ้นเท่านั้นด้วยครับให้นักเอาเปรียบเขาเจอกันเองบนเส้นทางแห่งการแย่งชิงกับการไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันไปเถอะ คุณขอตัวแยกออกมาอยู่อีกโลกอีกเส้นทางโคจรก็แล้วกันทำดีหรือร้ายคนคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่พร่าแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงดูทำดีมืดมน ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปเ่อ ท, ที่ทำดี